สร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างมนุษย์กับเทวดาอันหนึง่งขอกล่าวถึงข้อสังเกตบางอย่างเพื่อจะได้มองเห็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปชัดเจนขึ้นประการแรกเทวดาประกาศสิทธิ์หรือกำหนดเหตุการณ์หรือบรรดาจตากรรมแก่มนุษย์โดยเด็ดขาดแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้ แม้ตามปกติจะถือกันว่าเทวดามีฤทธิ์มีอำนาจเหนือกว่ามนุษย์แต่ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าถ้ามนุษย์ปรับปรุงตัวขึ้นมาเมื่อใดก็สามารถเท่าเทียมหรือเหนือกว่าเทวดาได้และสิ่งที่จะกำหนดว่าใครจะเหนือใครก็อยู่ที่คุณธรรมและความเพียรพยายามดังมีเรื่องมณีจุลกาลิงคะชาดกกษัตริย์สองเมืองจะทำสงครามกัน ฝ่ายหนึ่งไปถามพระฤาษีมีฤทธิ์ซึ่งติดต่อกับพระอินได้ได้รับทราบคำแจ้งของพระอินว่าฝ่ายตนจะชนะจึงประมาทปล่อยเหล่าทหารสนุกสนานบันเทิงส่วนกษัตริย์อีกฝ่ายหนึ่งทราบข่าวทํานายว่าฝ่ายตนจะแพ้ยิ่งตระเตรียมการให้แข็งแรงยิ่งขึ้นครั้นถึงเวลารบจริงฝ่ายหลังนี้ก็เอาชนะกองทัพกษัตริย์ฝ่ายที่มัวประมาทได้ พระอินทร์ถูกต่อว่าจึงกล่าวเทวกติออกมาว่าความบากบั่นภาคเพียรของคนเทพทั้งหลายก็เกียดกันไม่ได้เทวดาที่อยู่ตามบ้านเรือนนั้นตามปกติมนุษย์ให้เกียดและเอาใจมากแต่ถ้ามองแง่หนึ่งแล้วก็เป็นผู้อาศัยถ้าเจ้าบ้านมีคุณธรรมสูงเช่นเป็นอริยสาวกมีความมั่นใจในคุณธรรมของตน หรือมั่นใจในธรรมตามหลักศรัทธาอย่างพระโสดาบันดังที่กล่าวแล้วในบทที่สิเทวดาก็ต้องเคารพเชื่อฟังอยู่ในบังคับบัญชาไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจบังคับเจ้าบ้านดังเช่นเรื่องอนาตบินิกะเศรษฐีในธรรมบทเทวดาผู้อยู่ณซุ้มประตูบ้านของอนาตบินิกะเศรษฐีคือท่านเจ้าบ้านไม่ได้สร้างที่อยู่ให้โดยเฉพาะเทวดานี้เมื่อท่านเศรษฐียากจนลง ได้มาสั่งสอนให้เลิกถวายทานท่านเศรษฐีเห็นว่าเป็นคำแนะนำไม่ชอบทมถึงกับไล่ออกจากบ้านทันทีเทวดาหาที่อยู่ไม่ได้ในที่สุดไปหาพระอินทร์จะให้ช่วยพามาขอเข้ามาเศรษฐีได้รับคำแนะนำวิธีที่จะขอเข้ามาโทษเมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วจึงได้รับอนุญาตกลับเข้าอยู่ณที่เดิมได้ข้อสังเกตในเรื่องความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างมนุษย์ กับเทวดาประการที่สองเมื่อคนถูกเทวดาให้โทษจะถือเอาเป็นเกณฑ์ว่าเขาทำผิดหรือเป็นคนชั่วอย่างไม่ได้เพราะคนดีถูกเทวดาร้ายกันแกล้งก็มีไม่น้อยดังเช่นเทวดาซึ่งอยู่ณ้มประตูของอนาตะบินทิกะเศรษฐีที่ได้กล่าวถึงแล้วท่านเรียกว่าเป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิบ้างเทวดาอันตภานบ้างเทวดานั้นไม่พอใจว่า เมื่อพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกเสด็จมาบ้านเศรษฐีเขาจะต้องลงมาที่พื้นดินครั้นเศรษฐียากจนลงจึงได้โอกาสเข้ามาสั่งสอนเศรษฐีเพื่ อ, อยุให้เลิกเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแต่ได้ผลตรงข้ามดังกล่าวแล้วเทวดาบางองค์แกล้งคนให้ระแวงกันเล่นเท่านั้นเองเช่นเรื่องพระโกนดฐานะเทระในธรรมบทที่กล่าวว่า พระเถระมีรูปสตรีติดตามไปทุกแห่งเพราะอดีตชาติของท่านเคยเป็นเทวดาเห็นพิสุสองรูปเป็นสหายกันมีความกลมเกลียวกันอย่างยิ่งเทวดานั้นจึงคิดแกล้งโดยใช้โอกาสในคราวที่ทั้งสองรูปเดินทางไกลด้วยกันรูปหนึ่งขอไปถ่ายอุจจาระหลังพุ่มไม้เทวดานั้นก็เนรมิตตนเป็นหญิงมนุษย์คนหนึ่งมาปรากฏเดินตามพระเถระท่านนั้นออกมาจากระหว่างพุ่มไม้ หลังจากท่านถ่ายอุจาระเสร็จทําให้พระเถระอีกท่านหนึ่งเข้าใจผิดว่าทั้งคู่ไปเสพเมทูนกันในอัตถกถาของกรณีเมตสูตรก็กล่าวว่าแม้แต่พวกเทวดาตามป่าเมื่อพระไปอยู่อาศัยเพื่อปฏิบัติธรรมบางพวกก็ไม่พอใจเพราะคนดีมีคุณธรรมสูงกว่าตนเข้ามาอยู่ทำให้พวกตอนอึดอัดใจทาอะไรอะไรไม่สะดวก จึงหาทางแกล้งด้วยวิธีต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้แก้ไขด้วยการแผ่เมตตาเอาความดีเขาตอบแต่ในกรณีที่พวกเทวดาไปแนะนำให้ทำอย่างนี้อย่างนั้นหากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมพุทธสาวกผู้รู้หลักย่อมมีความเข้มแข็งมั่นคงในจริยธรรมและจะไม่ยอมปฏิบัติตามคาของเทวดานั้นเป็นอันขาด ไม่ว่าเทวดาจะขู่หรือล่อด้วยรางวัลอย่างใดอย่างใดเช่นในอัตถคถาธรรมบทมีเรื่องพระติดสะเถระผู้อยู่ในเงื้มเขาเทวดาผู้สิงอยู่ที่ถ้ำกลัวพระเถระผู้มีสีลบริสุทธ์คิดหาอุบายให้สีลท่านด่างพร้อยเพื่อไล่ท่านโดยเข้าไปแกล้งสิงลูกของอุบาสิกาในตระกูลอุปถาเพื่อบังคับให้อุบาสิกานั้น ขอให้พระเถระปรุงยาให้อุบาสิกาทราบว่าพระเถระทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะผิดพระวินัยจึงต่อรองกับเทวดาเหลือเพียงว่าขอน้ําล้างเท้าพระเถระมารกักษะลูกของตนเมื่ออุบาสิกาได้ทําตามนั้นแล้วลูกก็กลับเป็นปกติเทวดาก็เข้ามา ค, มค่มขูเพื่อกลับไล่พระเถระให้ออกจากถ้าไปโดยเรียกพระเถระว่าพ่อหมอใหญ่ พระเถระถามตนเองว่าเราเคยทำเวจกรรมหรือท่านไตรตรองแล้วก็มองไม่เห็นความเศร้าหมองในศีลของตนเทวดาจึงชี้ว่าวันนี้ท่านได้ให้น้ำล้างเท้าแก่อุบาสิกานำไปรดศีรษะลูกที่ถูกอมนุษย์สิงพระเถระได้ยินอย่างนั้นก็คิดว่าโอ๋หนอเราประพฤติสมควรแก่ศาสนาแล้วจริง แม้เทวดาไม่ได้เห็นความเศร้าหมองหรือด่างพร้อยในจตุ ป, ปาริสุทธิศีนของเราเห็นได้แต่เพียงน้ําล้างเท้าอันเราลดแล้วบนศีรษะของทารกปีติอันมีกําลังเพราะปรารบศีลเกิดขึ้นแล้วแก่ท่านท่านคมปีตินั้นแล้วไม่ทันยกเท้าขึ้นก็บรรลุเป็นพระอรหันในที่นั้นนั่นเองข้อสังเกตในเรื่องความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ระหว่างมนุษย์กับเทวดาประการที่สเทวดาบางองค์มีพฤติการทางร้ายชอบทำตนเป็นปฏิปักษ์ขัดขวางความเจริญของมนุษย์ทั้งหลายอยู่เป็นประจำเทวดาอย่างนี้มนุษย์ไม่เพียงแต่ไม่ควรอ้อนวอนขอร้องหรือหวังพึ่งเท่านั้นแต่ควรปราบหรือพิชิตให้ได้ทีเดียวและถ้าฝึกปลือความสามารถของตนให้ดีมนุษย์ก็สามารถเอาชนะได้ด้วย ดังตัวอย่างสำคัญคือมานมานนี้เป็นเทพในสวรรค์ชั้นสูงสุดของระดับกามาวจรคือชั้นที่6ได้แก่ปรนิ ม, มิตะวะสวัสดีแต่ชอบขัดขวางรังควานผู้อื่นเมื่อเขาจะทำความดีเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใครจะเปลื้องตนให้เป็นอิสระจากกามถือว่าผู้นั้นจะข้ามออกนอกเขตอำนาจของมานก็เป็นอันจะต้องเผชิญหน้ากับมานทีเดียว มานมีฤทธิ์มีอิทธิพลยิ่งใหญ่มากแม้แต่พระอินทร์พอมานมาก็หนีไม่รอหน้าไปหลบอยู่สุดขอบจั ก, กรวาลพระพรหมก็หลีกเลี่ยงบังคราวมานก็ขึ้นไปรังควานถึงพรหมโลกซึ่งเป็นชั้นรู ป, ปาวจรสูงกว่าระดับของตนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบรรดาผู้ยิ่งใหญ่มานเป็นเลิศแม้มานจะมีอำนาจยิ่งใหญ่ถึงอย่างนี้ แต่มนุษย์ผู้ฝึกอบรมดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาก็พิชิตมารได้ด้วยคุณธรรมของตนและมนุษย์ที่มีคุณธรรมสูงเช่นนี้เทพเจ้าต้องปวงตลอดถึงพร ม, ย, มย่อมลบวายเท่าที่กล่าวมาอย่างนี้ไม่ได้มุ่งหมายจะลบหลู่หรือชักชวนให้มีจิตกระด้างต่อเทวดาทั้งหลายแม้แต่น้อยเพียงแต่จะสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมวางจิตให้ถูกต้อง สำหรับการดำเนินตามวิธีปฏิบัติที่จะกล่าวต่อไป